ปรบเหตุที่ทางพุทธสมาคมสกลนครของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันศสียสละทุนทรัพย์ศสียสละเวลามเวลาสร้างกุฏิวิหารและก็ น, นำผ้าป่าสามคีมาทอดถวายพร้อมกันกับการถวายกุฏิแก่วัดวิเวกันทรารามของเราในขณะนี้โดยเหตุนี้จึงได้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 ว่าเรานี่ยทำยังไงนะเกิดมาเป็นคนสกลนครรักบ้านรักเมืองรักศาสนาะจะทำงานเพื่อศาสนาะทำยังไงจะมีพระภิษุสององค์เจ้าที่รักศาสนาะมาช่วยงานกันมากๆในด้านนี้ที่คนโบราณว่าหลายสมัยในป่าขาดนับหาล่ำเป็นของหอมแก่นจันว่ามีได้คนเต็มบ้านข้าเม่แสนไม่มากหาผู้ขึดปากบ่ทำไปเจา้าสีบามี ความที่อันนี้คิดขึ้นมาอยู่ว่าเอ๊ะพสงอง์เจ้าเรามากไม่ใช่ดูถูกสิปัญญาแต่ว่าท่านก็ท่านาไปคนละอันคนละบารมีกันอารมาก็เลยมาคิดถ้าเรามีเพื่อนทํางานในด้านเผยแพร่ในด้านปฏิบัติธรรมเพื่อจะลองศาสนาในยุคนี้มากขึ้นช่วยกันก็คงเกีพอมีเรี่ยวมีแรงมีแนวร่วมคิดอ ย, อย่างนี้ และยังมีความรู้สึกไกลไปกว่านั้นคล้ายๆกับว่ามีคนทำสะอาดสองสามคนแต่มีคนไปทำสกรปรกเป็นร้อยๆมันก็เลยไม่คุมกันคนหนึ่งไปเอิรนให้ลูกปุ๊กให้ตื่นอีกซึ่งหนึ่งไปเที่ยวแจกยานอนหลับบัตรเติมมาแล้วเอายี่ห้อนี้ไปกินหลับไปกินยี่ห้อนี้หลับไปแล้วก็ไปเที่ยวปุ๊กคนคนแกยานอนหลับมีมากท้านหลายพอนจะเข้าใจได้บ้างหรักว่า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 ทา่านกนเลยท้อแท้อยู่ตั้งสี่สิบกว่าวันหรือสี่สิบเก้าวันคิดไปคิดมาแล้วพยามารก็มาช่วยมาช่วยกระพืออย่างอตาตมานเนี่ยถูกพยามารก็ชิบกระพือไปอจะไปเที่ยวสอนคนเลยมันยากเขาไม่เข้าใจดอกเขามากด้วยความคุ้นเคยในทางที่จะเอายึดมั่นถือมั่นอุปาลมพะจิตโตทุมเมโทสินาติปุทธศาสนังบุคคลที่ม่อ คุณเคยไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นมากไปด้วยความมืดอยู่อย่างนี้แม้จะได้ฟังธรรมของพระศาสดาผู้ชนะมารอรตาโหติสัทธมโมนภาโสปทวียะถาเขาจะไกลห่างจากธรรมนี้เหมือนฟ้ากับดินอย่าไปเทศไปสอนเลยพญามารมาบอกพระพุทธเจ้าอาตมานี่ลูกศิษย์ชั้นปลายแถวบางทีก็ท้อใจ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 ทุ่มครึ่งก็จะนอนได้ห้าทุ่มตีหนึ่งครึ่งลุกขึ้นมาจัดแจงเก็บสิ่งของขึ้นรถชาวอุบลมารอรับต้องเดินทางจากวัดเมื่อเือนนี้ตีสองไปสว่างอุบลไปอุบลแล้วไปแสดงตาตกถาทำอยู่ห้าหกชั่วโมงสองภาคจบอย่างนั้นตีด่วนมาถึงบ้านเมือ่อคืนนี่ประมาณเที่ยงคืนไม่ได้พักก่อนเลยและมีความคิดต่อไปบางครั้งพยามารกับชิ ศาสนาไม่ใช่ของเราคนเดียวคนอื่นเกิดมาแล้วตายไปแล้วท่านรักษามาจนถึงนี้ถ้าไม่มีเราก็จักยังอยู่ดูพระสองฆ์องค์เจ้าองค์อื่นท่านสะดวกสบายชั้นเช้าและกัเอน็นชั้นเทนนอนสบายๆท่านจะลําบากทําไมคล้ายๆกับพญามารชวนไปสิไปหาอยู่ในป่านในเขาสงบประงับอยู่คนเดียวจิตใจมันเรียกร้องสภาพอย่างนี้แต่บางทีก็ฮึดฮั ด, ดขึ้นมาว่าเออตายแล้วเสามีแห่ง บางครั้งคนมารับนี่กินเหล้าเมาจำเป๋ขับรถปีกายนี่ไปชนควายตายสองตัวรถ ล, ลงไปถ น, นนควายตายแต่อาตมายัางไม่ตายเดี๋ยวนี้ต้องขุดลุมรอไว้หน้ากุฏิถ้าใครไปที่วัดก็จะเห็นลุมใหญ่หญๆลุมมยังห่วงซุยในยังห่วงซุยคนมานนอบวาจากลุมฝังสลายโขดเข็ดขวงเทคลำผ่านวาระนี้ เดี๋ยนี้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายซะแล้วมีอัตราเสี่ยงต่อความตายสูงมากเดือนหนึ่งต้องเดินทางเป็นหมื่นกิโลนะไม่ใช่พันกิโลตีไปจังหวัดตากกลับมานุน่นชัยนาทไปเมืองเลยอูบลยาโซทอนน้อยออเอามารวมกันได้เป็นหมื่นหมืนกิโลแต่ละเดือนที่นี่จะมาก็เลยคิดอย่างวันที่ประเทศอุบลเนี่ยวิ่งไปตั้งแต่ตีสองจะเข้ามาตรงงค้งที่วิทยาลัยเทคนิครถวิ่งมา120ไฟดับ ไฟลดนะดับไม่ใช่อะไรลองที่ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่องกลางความมืดมันก็ต้องอหังสุกิโตโหมิโลแล้วค่ะมันตู้มลงไปหันตั้งใจตายให้ดีๆต้องไปอย่างนั้นแต่บัดนี้อาตมารู้สึกอบอุ่นใจไม่อ้างวางเดียวไดยอย่างน้อยท่านอาจารย์มหานิธิภาคสองท่านได้บวชมาแล้วมาอยู่ในวัดวิเวกันทลาลามอาตมาก็เฝ้าสังเกตดูว่า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 แก่ล้ลงรถนู่นบางครั้งเดินตอกตอกตอกจากนวนมานี่เห็นแล้วสาธุในหัวใจอนุโมทนาสาธุการคนทั้งหลายมองไม่เห็นเทวดาฟ้าดินก็จะเห็นคนสร้างคณงามความดีอาตมาคอยเป็นห่วงว่าเอ๊ท่านอยู่กันมากๆจะพออยู่พอกินไหมบางทีก็แอบมาซุ่มๆไม่บอกครั้งหนึ่งเคยขี่สามล้อลงแล้วก็เมารถสามล้อข้ามาจะมาดูว่าวัดเนี่ย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 แต่ก็ยังไม่มีใครเป็นโลกกระเพาะตายดอกอย่างอ้วนๆกันจยูทีนี้ก็เลยมังคิดว่าเอ๊ท่านอาจารย์มหานิธิเนี่ยพระเนนเป็นเจ็ดสิบแปดติท่านจะอยู่กินยังไงเราจะไปดูถ้าอดอยากเรามีอะไรเราก็จะช่วยเท่าที่จะทำได้จะไปช่วยประกาศทางวิทยุงเี้ยแต่ปรากามาแล้วหน้าปื้มใจพี่น้องชาวดงมะไฟแล้วยังหน้าอนุโมหนาสาธุ ก, การพวกสุขาพิบาลเล็ก อย่างสุขาภิบาลดงมาไฟได้ทราบว่าเอารถรับส่งพระเนนบินทบาททุกวันล้นเต็มวัดเต็มรถสุขาภิบาลใหญ่ๆบางแห่งคงทำไม่ได้มอมีเงินซื้อน้ำมันรถสำแกะพระมาบินทบาทน่นนีบ่ได้แต่สุขาภิบาลดองมะไฟทำได้อันนี้ประการหนึ่งก็เลยน้าอนุโมอนธนาว่าโอ้นี่ เราไม่อ้างว้างเราไม่เดียวดายมีคนช่วยกันเอื้อให้ลุก ป, ปุกให้ตื่นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นใจแล้วต้องมีกำลังใจทำงานอยู่เดีย๋ยวนี้คนก็เริ่มเข้าใจตื่นขึ้นเริ่มเข้าใจตื่นเนื้อตื่นตัวทางศีลทางธรรมคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลาพื้นเมืองมีคำหนึ่งว่า ศาสนาพระเจ้าองค์ประเรสริฐสพันญูล่างเธอบกล่างเธอเต็มดังพระจันทร์อยู่ทั้งฝาท่านสาธชนทั้งหลายคงจะเคยเห็นพระจันทร์ข้างขึ้นมันสว่างข้างแรมมันก็มืดศาสนานี่มีครั้งเจริญมีครั้งเสื่อมจเจริญขึ้นมากแล้วก็เสื่อมลงเสื่อมลงมากๆแล้วก็จเจริญขึ้นแล้วแตกสมัยใดมีบุคคลที่ สนใจทางศิลทางธรรมมีผู้นำทางจิตใจทางวิทญาณเพราะเหตุดันเราอาจจะอยู่ในช่วงที่เรียกว่ากำลังถึงไม่ถึงวันเพนก็คงจะสองคำสามคำเห็นเดินพกกิ่วิกก็อาจจะเป็นได้จึงมีคนสนใจเกินขึ้นเมื่อกี้อาจจมาจัดงานนักพบผู้ใฝ่ธรรมลองประกาศเล่นเล่นทางวิทยุดอกไม่ได้เชิญใครดอกพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้นิมนต์ท่านเพียงแต่ไปกราบเรียนให้ท่านทราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ พอผมจะอบรมนัดพราะผู้ฝ่ายทำจะไปมีมนคุบาอาจารย์ไม่มีรถไปรับท่านเพราะยังไงยังไงคิดว่าจะอบรมไหวคนเดียวเนี่ยมาเป็นหมื่นคนก็จะอบรมไหวสิพาหนังซื่อซื่อามีแห้งเนี่ยเบาๆอย่างเลยป่ะศั่นคิดว่าจะไม่มีคนมากปากฏว่าคนหลังไหลกันมาห้าร้อยคนมาบวชชีพามเจ็ดวันอาจจะมาพาทำสมาธิวันละสี่ชั่วโมงโดยไม่ต้องพูดเทศเงียบ ไม่มีใครคิดว่าจะเบื่อหน่ายโอ้ให้ผมคือพาเซาไว้แท้ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหลือภาคใต้ชุมพรภาคตะวันออกจังหวัดตราดพระเนนเป็นร้อยเขามารวมกันอบรมสมาธิภาวนาแต่เสียดายหน่อยหนึ่งสกลนครเรามีจำนวนน้อยกว่าจังหวัดอื่นมากที่นี่นั่นก็ไม่เป็นไรไมันอยู่ใกล้โพธเนาะนก็เลยฟังเสร็จแล้ว ปรากฏว่าบุคคลที่มาอบรมนั้นตัดเทปที่ไม่ทันบรรยายออกมาแต่ละม้วนละม้วนเช้ามาทำมิกถาก่อนฟ้าสางหลังจากสมาธิแล้วอบรมกรรมฐานตอนเย็นเย็นมาหลังจากนั่งสมาธิสองชั่วโมงปาทกถาปาทะกถ า, า, ถ ก, ถาก่อนสนทยาตลอดทั้งเจ็ดวันนี้ทุกคนจองกันถ่ายเทปยังไม่ทันปรากฏว่าเทปหมดไปพันสามร้อยแปดสิบม้วน ไม่พอข้าวบัญชีไว้ต้องมาอัดถ่ายส่งทีหลังเมื่อเช้ามีจดหมายมาทวงจากวิทยาลัยคูอุบลว่าจองไว้นานเงินจ่ายแล้วยังไม่ถึงคงจะเสวนทางกันส่งไปเถึงคิดแล้วงานนี้ได้เข็นกงล้อแห่งธรรมสเทศออกไปเฉพาะเทปในการบรรยายเนี่ยพันห้าร้อยกว่ามวนคิดแล้วก็น่าอนุมอธนาว่าประชาชนเหล่านั้นกำลังตื่นตัวในทางศีลธรรม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 ก็เลยอยากจะแบ่งเวลาของหนึ่งเดือนในสิบวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสำหรับผู้ที่ไปอบรมในวัดสมาธิภาวนาทั้งชาวต่างชาติและต่างจังหวัดแต่พัดนี้อีกวันที่สิบถึงวันสิ้นเดือนจะมอบให้แก่สังคมแต่ถึงขนาดนั้นก็ทำไม่ได้ก็ต้องแย่งจึงยื้อกันอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จะทำยังไงได้ อย่างไรก็ตามก็คิดว่าเราเกิดมานี่เราได้ทําประโยชน์แก่ระษาตนาแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่บ้านเมืองเท่าที่เราจะมีแรงคนโบราณกล่าวไว้อันหนึ่งว่าอากาศก่วงสุดขอบเมธะนีซุดขอบจกักรวาลเมธะนีซุดสัวตาเต็มเหี่ยมเหมยเหมยหงห้วยห้ำหลกลุมพ่อได้พายโพดให้ดินสื่นสุมอื่น ลุกโคดาวแดนไผ่พ่งเทือนยู่ทางไขกกับอ่าละอองหอมเพลินหอมโยธิกากอมสาลพี่พ่วงพีแม่งภูบินลวงลำประสงแสวสวบละอองฟังก็เพินไปเฉยเฉยถ้าไม่เข้าใจอากาศก่วงซุดขอบเมธานี่ซุดขอบจกักรวาลเมทานี่ซุดสวดตาเต็มยิ่มมันเป็นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่เหมยเหมยหง ห้วยห้ามหลกลุมพายโพดหิ่ดินสื่นสุมอื่นหมยเหมยคนสมัยใหม่ไม่รู้จักซะแล้วจกักแม่นหยั่งฉันน้องขอแปลให้ฟังนิดหนึ่งหมอกขึก้นสูงจักเราน้ำหมอกถ้าน้ำหมอกธรรมดาเนี่ยเรารู้จักกันดีแต่ถ้าขึ้นเหมยเหมยเลีวเลยบาดในคนสมัยใหม่ไม่รู้เหมยเหมยน้นำหมอกสร้างน้ำหมอกตางน้ำหมอกซาน้ำหมอกแห้งหลายเติบ คือห mm ้องไปฟังล่ําหัวเปียกเสื้อผ้าชุ่มผมเปียกเนินน้าหมอกใหญ่น้ำหมอกข้างอันน้ำหมอกกลางน้ำหมอกสร้างน้ำหมอกซาคนโบรานเผอ่นเมื่อยเหมื่อยมอลําเขาลําผ่อนสิแจงน้ําหมอกขัวหําหัวขัวนัวเมื่อยห้วยห่ำมูบางใบไม่อันเมื่อยเหมื่อยลดตาป่องจวนไก่สิลงข้อนค่วมหิ้วนอนมากจับตาเมื่อยมโนอเอาง่วง ดวงดาวเดือ น, นยักษ์ใหญ่ทะไล่ล่องเลิกตำหนามหมอกเมื่ออาบแก่ห้ามหนาดวงน่าวคำเก่าวเหล่านี้เมย์เมยหง่วงห้วยห้าโหลกลุมพายผดให้ดินสืนซุ้มอืน่นพวกเราเกิดมาทีหลังเ ก, เ, เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าเกิดไม่ทันพระอรหันต์พระอารียเจ้าทั้งหลายเหมือนต้นไม้หน้าแรงง่งามฝนเกิดวานพุน งามพระพุทธเจ้ายามพระอาหารหันต์พระอริยเจ้านั้นหน้าฝนต้นไม้เขียวสดงดงามเบ่งบานแต่เมื่อถึงหน้าแรงและต้นไม้เนีแห้งเหี่ยวฝนไม่ตกแต่โชคดียังมีน้ําหมอกน้ําค้างต้นไม้บางชนิดอดทนต่อความแห้งแรงเมื่อได้รับน้ําหมอกน้ําค้างก็เลยเบ่งบานอย่างดอกหนูดอกจานไม่เดือนสามดอกหนูบานดอกจานแบ่ง ดีทีตัง่งเติมฤดูเดือนใหม่ดอกเกศ บ, บางสะพัมผอมน้ําหล่อมแคล่ําสะพังผั่วพ่วงพีสาระพี่กนิกากายเหือไพ่พ่วงดาวล่ําดวนดัว่วหอมเย็นดอกสมังกาละเวกเกี่ยวหอมกลุ่มบาดคําแล่นข้อเมื่อเดือนสามขนล่ำหนาวเหนาวนวงดอกปักม่วงหอมอินอ้อยง่ามข่อยคําแล่น ดอกจานแดงซุกเต็มตุ่นบานตนกันดอกหนิงปลาสกุหน้าบินส่วนแสลแสวงกัวกินหวานบานในหน้าแรงโดยอาศัยน้ำหมอกน้ำค้างบานชนี้ไปบานเอาหน้าร้อนต่อหน้าฝนดอกขูนเหลืองสะพังทั้งหมดนั้นพอจะเปรียบได้ครูบาอาจารย์ยกรุ่นหลัง ยุคค่อนพุทธการคือยุคนี้มาเอินให้ลุกมาปกให้ตื่นมาเทพมาแสดงชี้แจงแถลงไขชี้ช่องต่องทางโดยอาศัยพระธรรมวิในที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติจึงเปรียบเสมือนเหมยเหมยน้ําหมอกน้ำค้างคำว่นาน้าหมอกฮูจัคส์มอ n นิ่งดิจะฝรั่งว่าน้ํน้ค้างยามฟ้าสางะนะฮัาาลโหภาษาฝรั่งมาไปอีกอันหนึ่งแต่ภาษาบ้านเร า, าเหมยเหมย ครูบาอาจารย์ก็เหมือนน้ำหมอกน้ำค้างยังไม่เหมือนฝนฟ้าเพราะไม่ใช่พระอรหันต์พระอริยเจ้าอะไรท่านทั้งหลายผู้เป็นสมัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังแล้วด้วยความคิดพิจารณาตามก็เห็นเลยว่าเออแมนความเพินเวกก็จึงเหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานในหน้าแรงลุกโคด่าวแดนพ่องไพ่เถือนยู่ทางไข่จับอ่าละอองหอมเพลินหอมในนี้ท่านทั้งหลายก็พกันเริ่มเบ่งบานบางคนก็บานด้วยศีล บางคนก็บานด้วยการให้ทานบางคนก็บานด้วยสมาธิภาวนาแล้วแต่บุญญาบา ร, รมีที่สั่งสมเอาไว้อย่างวันนี้ก็หักกันบานอกีกแล้วบานด้วยการให้ทานสร้างกุติหลังใจญ่โตนี่คือจิตใจที่แบ่งบานด้วยทานด้วยอาศัยธรรมที่ท่า น, นสร้างเป็นทานบารมีบางท่านก็แบ่งบานด้วยศีล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 ปาลมีแปลว่าเพิ่มขึ้นสะสมขึ้นคนอีสานบ้านเรานี่เน้นเรื่องปัญญาบาลมีพ่อใหญ่แม่ใหญ่คงจะจําได้เวลาคนล้มคนตายก็ดีงานแจกข้าวก็ดีเอาบุญบ้านเอาบุญเฮือนก็ดีขึ้นไปเฮือนใดสมัยก่อนเทศรกปัญญาบาลมีเน้นนหน่อยเปิดหนังสือไบลานขึ้นใต้เทียน นามโอตะสาถุปัญญาญเปตโตสุขตโตวิตาละโธภาเตนะเซโกวิยะตัญนาคาโลยโลกันธโธหิตะผังวาจินเตหันตะวานาปาปังแจักเป็นโบอีหนังโบหุจักนํากันทั้งผู้เทศทั้งผู้ฟังเองเหมือนกันนี่รู้มันจะได้ปัญญาบาลมีหรือจะเป็นโง่บาลมีเพิ่มลงไปอีกว่ากันว่าปัญญาบาลมีนั้นถ้าฟังแล้วเข้าใจจะได้บุญได้กุศลมาก ไม่ศอกนั้นลกหมอกไหม่มันก็จริงถ้าหากเรามีปัญญาปัญญาหิเศธายายา่าโลกคสมิงยาอย่างนิเพถข า, ามไม่ดีปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาที่ชาแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์อะไรจะประเสริฐยิ่งกว่าปัญญาสัพเทธรรมาปัญยุตตาทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดแต่เราได้ปัญญากันหรือไม่นี่มันมีปัญหา ไปฟังเรื่องปัญญาปรมีก็ฟังนั่งนอกเองินนิสิตังบริบวนควรทอนี่สาธุยกมือทวหัวอยยากให้จบเถเหเฮงวุนฟังบุ้เรื่องกับประจักษ์มันก็เลยไม่ได้ปัญญาปารมีกันนอกจากนั้นอุณาสวิชัยพวกเราทำอะไรกันสมัยก่อนนั้นพ่อแม่ท่านสอนไว้ดีแต่เราปฏิบัติการไม่ได้ผลเพราะว่าทาไม่ถูก้าถูกตัว วันนี้เรากำลังมาสั่งสมปัญญาปลัมีเพื่อสั่งสมความเป็นชาวพุทธอาณามาเลยขอแสดงความรู้สึกในใจวันนี้ว่าดีใจอ่อนซอนสะออนใจหลายเห็นพี่น้องชาวพุทธทสมาคามมาถึงแม่ไม่มากทีนี้ที่พูดนี้ยังไม่ได้เข้าเรื่องเขาเล่าว่าจะพูดเรื่องอะไรนะเนี่ยอันดับยรว่าคนสิบอวอยังเป็นฟังเนาะฉันสิบวลดนแต่บอกเนานอดเตรียมตัวง่วงเหงาห่าวนอนไว้ได้เลย มันบวมวนไปได้เนาะเพราะเห้นั้นก็เข้าสู่เรื่องที่จะนำมาพูดวันนี้เลยพูดอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นลาให้มันเป็น process เป็นกรรมวิธีเป็น outline เป็นแนวสังเขปเป็นสัตเจอเป็นโครงสร้างให้มองเห็นไปเป็นเรื่องเป็นลามบบมุมอื่นเพื่อบอกอียงให้ฟังอาตมาเห็นว่าท่านที่เป็นพุทธสมาคมเป็นสมาชิกประกอบไปด้วยข้าราชการ บำนาญข้าราชการที่ยังทำงานอยู่ล้วนแต่ปัญญาชนมีเบสิกมีพื้นฐานที่พอจะฟังรู้ดูออกมันนี่จะขอพูดเรื่องสถานการพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันเขียนลงไปได้เลยว่าเรื่องสถานการพุทธศาสนาโลกในยุคปัจจุบันเอาให้มหนันหนักหน่อย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 สอง2มื่นหนึ่งพัน้ารอยี่สิบหกหน้าส่วนมากชีวิตท่านอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแสดงธรรมเป็นหมื่นหมื่นครั้งในพระ寿 ส, ส่วนมากคนฟังนั่งอยู่ใต้ร่มไม้คนเทศใต้ร่มไม้กลางพื้นดินเหตุ hey, นั้นวันนี้เราได้มานั่งใกล้ชิดอามือลูกแผ่นดินหลายๆโอ้พระพุทธเจ้าอยู่จังสี่จังสี่จั ง, จงเซ่ชิดหออท่านมากๆและวันนี้เราจะได้เข้าใจ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 มีความเป็นอยู่อย่างไรและจะมีแนวโน้มแห่งความเป็นไปอย่างไรมันต้องมองทั้งอดีตมองปัจจุบันและมองสู่อนาคตขั้นสุไปท้างหนาให้เลี้ยวหลังของเกา่าขั้นมรูดถูถ่าเศร้าถอนยาสุปไปล้านเอ้ยยาสลานสอ น, ส น, สนไวทำให้เราได้คิดก่อนที่มันจะเป็นอย่างนี้มันมีสภาพอย่างไรเอาล่ะขอมองในยุค ป, ปัจจุบันซะก่อนสะท้อนสู่อดีตและจึงโยงไปสู่อนาคต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 ให้จดทะเบียนพุทธสมมาคมชาวโซเวียตขึ้นที่กรุงมอสโกเพราะแต่ก่อนนั้นเขาขอมานานไม่อนุญาตแต่เ็ น, นี้เขาคงรอคอยนี้มันเวลานี้มานานเห็นว่ารัฐบาลในยุคอบาชชบมีคงจะอ่อนทางอนุตนโยบายที่รุนแรงแข็งกล้าวนี้ได้ได้อ่อนตัวลง เขาเลยทำหนังสือยื่นขออนุญาตจากรัฐบาลตั้ง พ, พุทธสมาคมเหมือนพุทธสมาคมชาวสกนครเราประเทศไทยเราไม่มีปัญหาใครจะตั้งก็ได้เพราะเป็นเมืองพุทธอยู่แล้วในเมืองคอมมิวนิสต์ซึ่งแอนต้ศาสนานอริยัน์ไม่มีศาสนาอยู่แล้วในที่สุดขอจดทะเบียนพุทธสมาคมขึ้นที่ใจกลางกรุงมอสโกซึ่งมอสโกเนอามาเคยไปนอนอยู่สามคืนเมื่อ 2,524 ที่ผ่านมา ปาอกว่ารัฐบาลโซเวียตตะลึงเขาบอกเกสคอนฟูสชั่นสลิตเนคืองงนิดหน่อยว่าทำไมมันมีขึ้นได้เขาก็เลยอนุญาตอนุญาตให้ตั้งพุทธสมาคมบุ i ิ t ซ o ซต e t อ o โซเวียตเดียวถึงสองหมื่นคนแลน้วหนังสือพิมพ์ก็วิจารณ์ต่อไปว่าสมาชิกและองค์กรของพุทธสมาคมในโซเวียตนี้มี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 ลองชื่อสมเด็จพุทธาจารย์นิมอณฑมาไปปาทกาทรถาธรรมที่พุทธมณฑ น, ท, นท่านกําลังอยู่ตรงนั้นปากรว่าจดหมายนี่ช้ามากเลยเมื่อได้รับหนังสือปับ๊บแล้วงานมันก็เสร็จปรากฏว่างานเสร็จแล้วได้รับหนังสืออีกสองวันได้ข่าวว่าท่านมรณภาพอาณามาไปแสดงธรรมที่กรุงเทพที่วัดปทุมแล้วก็เลยไปที่วัดไตรมิตรไปวัดมหาธาตุไปกาศศพ แล้วก็ขอขอมาว่าเออไม่ได้มาสนองพระเดชพระกุณ่านมันยากในการติดต่อเพราะเราอยู่ในป่าในดงเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้อาตมา ก, ก็ไม่ได้ติดตามข่าวอีกต่อไปบางครั้งดึกๆอย่างมาเปิดวิทยุจูนขึ้นไปหาวิทยุของอบีซีบีบีซีของประเทศอังกฤษข่าวทั่วโลกอะไรต่างๆในรู้สึกเขาเขามั่นคงแน่นอนมากเลยถ้ามีโอกาสอาตมา ก, ก็จะฟัง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 ทีนี้มาดูประเทศยุโรปต่างๆที่เป็นประเทศอเซลีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงปากรว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งมั่งค่าสนใจในการปฏิบัติธรำสมาธิภาวนาอย่างที่วัอดอาดมายเนี่ยเดี๋ยวนี้อาดมาต้องซื้อที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งไกลจากวัดไปประมาณสิบเส้นอีกด้านหนึ่งตั้งใจจะทําเป็นนานาชาติเป็นนิเพทะพลาลามนานาชาตินิเพนานาชาติขึ้นมาเพราะเดี๋ยวนี้ฝรั่งสนใจมาก อาดมาได้รับนิมนต์จากฝรั่งห้าหกครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกรุนแรงหน่อยถาวายที่หกเอเคอร์แล้วก็บ้านอีกหลังหนึ่งอยอมยกให้ให้สร้างเป็นวิปัสนาเซ็นเตอร์ขึ้นทในนิวเซาแลนด์ออสเตรเลียเมื่ออาดมาได้รับนิมนต์แล้วยังไม่คิดใหญ่ไปสูงถึงขนาดนั้นว่าเราจะต้องไปที่โน่น คิดอย่างเดียวว่าย่าดีมีจนจะอดทนกัดกินก้อนเกลืออยู่กลางโคกเมืองสกลนครอันแห้งแล้งบ้านเรานี่มีความน้อยใจบางครั้งสมัยก่อนว่าทําไมพระเมืองสกลเรานี่กรดีพระ้าอีสานไปเรีเนยนกรุงเทพมีความรู้มากๆเป็นมหาป ร, ริญญาได้ด็อกเตอร์ได้ป ร, ริญญาบางทีเป็นพระครูเป็นอะไรขึ้นเมื่ออยากกลับบ้านกลับมาบ้านอยู่บริสุทธพอสามเหมือย่านไปนโลกขาดอาหารย่านเป็นโลก กระเพาะตายแนวกินบอ์แฝบคือกรุงเท พ, พรีบกลับแล้วก็ล่อยให้หลวงพ่อหลวงตา ง, งกงเงินเงินเฝ้าวัดเฝ้าวาไปหาคนที่มีคุณภาพทางศาสนาหายากอาตมาเองก็ไม่มีความรู้จบชั้นป .4 นะักธรรมตีก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าเออช่างอาภัพเหลือเกินเราชอบเรื่องสมาธิภาวนาไม่ถนัดในการเทศการสอนต้องโดดเยงเ ง, งมาเทศมาสอนสาร ง, งานที่ชอบที่สุดกลับไม่ทา ่ันธุงหลายในนี้ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าจะมาเป็นนักเทศนักสอนนักปาฐกถ า, าและพอใจที่จะทำงานนี้ความจริงเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยงานที่ถนัดที่สุดชอบใจที่สดไม่เบื่อหน่ายคือสมาธิภาวนาวันวันหนึ่งไม่ให้เห็นหน้าใครยิ่งดีเลยขออภัยพูดแล้วพูดอีกเป็นร้อยครั้งและคำนี้ไม่ไม่ไม ไม่ใช่ตั้งใจตั้งแกล้งพูดอย่างนี้มันมันเป็นความจริงว่ะวันใดอะตมาไม่มีคนมาหาเนี่ยเป็นความสุขที่สุดได้อยู่กับสมาธิมันเป็นอย่างนั้นแต่แต่แล้วต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นหยุดไปสะก่ อ, กอนอาศัยติดไดชาร์จเอาไม่ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนเอาไดชาร์จมาติดไว้ไปนะก็ชาร์จมันไปเลยเวลาใดไม่ได้พูดไม่ได้เท่ไม่ได้พู ด, ด, พ ด, พดคงก็ทําสมาธิอยู่ในรถในเรือมันเรื่อยเปื่อยไปเรียกว่าคนลักข่าไก่คนใบข่าไกลจับยัดเขาผูดังเนี่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 ในยุคปัจจุบันนี้ฝรั่งต้องเดินทางไปจ้างเรียนสมาทิ่ภาวนาที่ฝรั่งเข้ามาศึกษามาค้นในประเทศไทยเพราะได้แบบอย่างเ น, น้เขากลับไปบ้านทำอะไรรู้ไหมนี่จุดหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดฝากาท่านสมาชิกพุทธสมาคมอย่าหลงละริงดีใจปื้มปีติว่าเออศาสนาเราดีแม้แต่ฝรั่งมั่งค่าก็ยังสนใจอาดมาอยากบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าพิ่มดีใจ พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ในพมชาลสูตรไปเปิดพมชาลสูตรสูตรแรกของพระสูตรทั้งหลายทีคัตติกายมหาวัคเริ่มขีกาศิรคันธวัคทศูดเปิดตุบเห็นปับ๊บที่เขาดา่าพระพุทธเจ้าตลอดทางตลอดหาว่าจะคือไปปาว่าด่ดาแต่ลูกศิษย์สรรเสริญหัวหน้าดา่าพระที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้ยินแต่เสียงดา่าไปตลอดกับเสียงสรรเสริญหัวหน้ามันดา่าลูกศิษย์มันสรรเสริญ ไปถึงนู่นคุยกันว่าทำไมหัวหน้าบรนดาลูกสิมันสรเสรินพราะพระพุทธเจ้าท่านเดินไปถึงได้เห็นพระคุยกันก็ถามว่าพวกท่านคุยกันเรื่องอะไรพระก็บอกว่ากำลังคุยกันในเรื่องเนี้ยเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใดเขาสรรเสริญอย่าพึ่งไปดีใจเวลาใดเขาด่าอย่าไปโกรธต้องมองให้ดีโยนิโซวิจิเนธรรมังปัญญาจะทั้งมีปัสติจงค้นคว้า สอบสวนทำนั้นถึงต้นต่อถึงรากเงาถึงแฟกเตอร์ถึงส่วนประกอบของมันจึงจะเห็นด้วยปัญญาอันชัดเจนอาจะมาไม่ดีใจละฝรั่งมานิมอนอาดมาไปห้าหกครั้งเขียนจนมหม้ถามมาทางจนมหาม้อาดามาตอบทางเทพส่งไปไม่ดีใจส่วนมากถามมาเราก็มักจะตอบข้ามข้ามอะไรรู้ไหมคำพีไบเบิลอันเป็นคสอศาสนาคริสัตน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 และทำยังไงนัลายลองคิดดูเป็นดาบสองขมก็ได้อาตมาไม่ไว้ใจถ้าผู้หญิงฝรั่งมาก็ไม่มีโอกาสเท่าที่ควรที่จะสอนธรรมะให้กับเขาอย่างละเอียดแล้วการนุ่งห่มของเขานั้นไม่สุภาพเรียบร้อยเหมือนพวกเราพระพุทธเจ้าว่ามาตุคามผู้นุ่งชั่วห่มชั่วระวังให้ดีแล้วพะที่วัดก็มีแต่พระหนุ่มเนนน้อยอาตมาจึงหนักหนักใจอยู่ก็เลยซื้อที่ขึ้นมา ยี่สบหกไลน์แล้วก็ยังมีที่ต่อต่อกันเขาจะขายยังไม่มีที่สือจะทำเป็นนิพเย์พนานาชาติฝรั่งมาให้อยู่นู่นไม่ให้มาปนไม่มามิกซ์กันเพราะมีฉนั้นจะมันจะคุกเขาจะสับสนปนเป ไ, ปไปใช้ห้องน้ำเดียวกันไปใช้อะไรกันเขา้าฝรั่งผู้หญิงนั่นดูแล้วไม่เหมือนชาวบ้านบ้านเราหรอกก็เลยคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฝรั่งสนใจอย่างที่วัดมีมาศึกษาธรรมะเรื่อย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 ไม่ใช่เรื่องอาภาพพัพเพราะว่าเรามีเชื้อไฟมีพ่อมีแม่นับถือศาสนานี้มาตลอดเดี๋ยวนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้พวกฝรั่งต้องเดินทางไกลๆไปจ้างเดือนละสองหมืนบาทค่าจ้างเรียนสมาธิเมื่อฝรั่งบางคนมาเรียนผู้สาศาสนามาฝึกสมาธิภาวนานิดหน่อยแล้วเขาก็จะกลับไปรู้บางไม่รู้บางไปตั้งสานักสอนอย่างศูนย์อย่างวิพัฒนาอาคาเดมิวอะไรต่างๆพวกเนี้ยไปแล้วเป็นไง อันนี้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าศาสนาจะเสื่อมเพราะเหตุแห่งสัจธ ร, รปฏิรูปจะเกิดขึ้นคือธรรมะฟอมจะเกิดขึ้นเมื่อพื้นฐานทางวัฒนธรรมเขาไม่มีพร้อมเนี่ยเขาจะแอดจัสเขาจะปรับปรุงหลักธรรมคาสั่งสอนของเราเนี่ยให้ไปเข้ากับพวกอาคําสั่งสอนของพวกเขาเพื่อความถูกจริตจก้านของชาวฝรั่งเมื่อนั้นธรรมะปฟอมก็จะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นสัตธรรมปฏิรูปจะเกิดขึ้นกลัวจะเอาไปปูยี่ปูยำเป็นสินค้าเป็นพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการจัดคอลอดระบบอบรมแล้วเก็บเป็นเถื่อนอย่างที่อย่างที่ธรมมคีรีที่ประเทศอินเดียนั่งรถไฟจากบอมเบย์ไปนาสิกเนี่ยมีภูเขาได้เตี้ยอยู่ลูกหนึ่งเขาเขามีธงตั้งไว้สงูสงๆแล้วเขียนเขียนป้ายเป็นภาษาฮินดูภาษาตุรกูภาษาฟอสโตแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่าธัมมะคีรีตรงนั้นนะสองผัวเมีย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 สถานการณ์พุทธศาสนาในยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยประการหนึ่งดูเหมือนจะเจริญคือคนสนใจในเรื่องสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหลักธรรมชั้นสูงซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยจะมีเรื่องบวชชีพามเนกามะจารีเนกามะจารินีแต่ก่อนไม่เคยเห็นถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่รุ่นเนี่ยสาสิบปีสีสิบปีก่อนเคยเห็นไหมไม่ไ ม, มีไปจําศีลกับป่าพอได้นอนวัดพอให้มันแจงตื่นมาไปบวชพื้นลูกเคยหบวชพื้นลูกไ พ, พ่อยู่หันแล้วพอแล้วว่าได้บุญ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 มันจำเป็นต้องมีสมาธิไหมจาเป็นจะต้องมีภาวนาอะไรมากเป็นเป็นระบบแอนตี้ไบโอติกคือต่อต้านเชื้อที่จะก่อให้เกิดความทุกข์เป็นระบบอิมมิ i t ตี้ภูมิต้านทานต่อความทุกข์ทางทจิตใจสมัยก่อนคนมีความสุขใจตามภาษาบ้านนอกบ้านนากันสบายๆทำข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำนาเสร็จก็มีสุขใจขันดำนาแล้วมีความสุขใจเข้าขึ้นบ้านแล้วสบายใจเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาสบายใจ อยากสีดำมือนีเกี่ยวมือนีฟาดมือนีขายมือนีไปใส่นีเกษตรมือนีดำอีกมืออื่นหนีทำนาปีละสิบขอนก็ยังไม่พอกินยังเป็นทุกตัดปอก็อยากจะตัดมือนีแฝงมือนีลอกมือนีตีมือนีตากแห้งมือนีบ่อแห้งอยากเอาไฟไปย่างให้มันแห้งเอาไปขายมือยังก็เศร้าเหม็นเงินหมดแล้วปีปอนั้นมันก็ทุกแหละทุกป่าสมัยพ่อสมัยแม่ของเรามีเงินมีทองน้ำไหไฟสว่างมีทุกสิ่งทุกอย่างถึงยุคพุสธ์เปอรเนเอ็ดยุคกดปุ่มเดี๋ยวนี้ แต่ความทุกข์ทานใจมันมากความสุขความสบายทางกายมันมากแต่ความทุกข์ใจก็ดิมากขึ้นผู้เท่าผู้แก่ต่อไปคืบวัด้ตยตำห ม, มากทุกทุกๆแนวนี้นหนนแหละมันสิกโ๊ะต้อรอกๆๆหลอด <S <S 1> <S 1> <S 1> เขากําลังจะทําเครื่องปั่นหมากด้วยไฟฟ้ามาให้ใจเย็นๆแม่อุ้ยฮึ่มทำใ จ, ะจะเย็นๆเด้อเขากําลังทําอยู่กําลังออกแบบพอ เ, เสร็จแล้วนี่วัดเลยตำจุกๆจิกจิกยากดอกไปนี่ต่อไป ไม่ต้องเอายานในม่มายองจางนีกอดแกะกอดแกะทักผู k, ้ใดบอกคือฉลาดท้หล่ะต่อไปนี่จะมีกดตัวไฟฟ้ารกเสร็จแล้วก็ยัดไปอีกกล่องหนึ่งกดทับออกมาเป็นก้อนเหมือนยาลูกก่อนมอมกลับลดบาดมั้ยคงจะท่องรอคอยกันอีกหน่อยนะแล้วต่อไปนี่ไม่ยากละนี่ก็เรียกว่าพุชวัตเตนเอทยุกดบุ่ม ความจเจริญในยุคปัจจุบันนี้ไม่สามารถทําให้คนมีความสุขใจแต่ก่อนฟังวิทยุธร ร, ธรรมดาธรรมดาทางทวิตเตอร์มีความสุขฟังหม้อลํำ909สถานีขอนแก่นเดียวนี้เพเป็นตาสแตกมันต้องสเตอริโอพาลาราเน่โทรทัศน์แต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมีโทรทัศน์ขาวดาเป็นสุขใจแท้ๆพี่น้องมะหุ่มมาตุ้มเมื่อบานจนเฮือนสิหักมาบังโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ถ้าดูขาวดาเลยถูกตายเลยบัานอุกอังทางทวง ต้องไปซื้อฮอลล่าฮัตสีไม่เคยพออาญาตนะเนี่ยขยายขึ้นไปเลยมันก็ทุกข์แหละเมื่อมันทุกข์อย่างนี้เอาหนังลอะมาแก้ให้ใจเป็นเป็นสุขความสุขความทุกข์มันไม่อยู่ที่วัตถุแต่มันอยู่ที่ใจอีตรงนี้เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาจําจะต้องมีบทบาทขึ้นมาถ้าใครฉลาดก็สามารถอยู่ในโลกอันผันแปรนี้ได้อย่างไม่มีความทุกข์อยู่ท่ามกลางาความร้อนด้วยความเย็นเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู ปารูมีพิษแต่ลินงูไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้อยู่ในเทคโนโลยียุคไฮเทคนี้อย่างไม่มีความทุกข์ถ้าหากท่านมีธรโมโลยีใช้ศัพท์ใหม่ๆสมัยเรียกว่าธรโมโล็ีมีธรรมะชั้นสูงด้านสมาธิภาวนาเดี๋ยวนี้ผู้เฒ่าเป็นทุกข์ทุกข์เก่งหลา ย, ย่านลกูกขโมยเนี่ยเพราะลูกมันไม่มีศีลมีธรรมมันก็ทําให้พ่อแม่เป็นทุกข์ขันว่าร้ายใหย้ลา ย, ลายบอมาก็ได้เลยไปเอาบุญบัติหลงหมอกไปนี่ละจ้อยได้ไหมฉัน เลยไปกรุงเทพทีพ่จำบ่จะ เ, น ห, นเห็นนาได้เงินเนี่วท่านพ่อแม่ก็กลัวนาเยอะเลยกลลูกสาวจะไม่กลับบ้านเอ า, าแม่เจ้าทีนี้ต้องกลัวเขานะเป็นทุกข์บางคนเลียเ้ยงลูกมาเต็มบ้านเลี้ยงหลานมาเต็มเรือนแล้วเป็นทุกข์เป็นทุกข์ําเถาโตกนรกต่ําเม่ว่าเป็นโต๊กหยังต๊กยำบวกน้ําหลานนั่นแหละบางทีก็ตีมูซาตีมาเสียด ข, ขึ้นบ้านก็จะงเตะกระบุงกระตาแต่เขาอยากให้ เือเพ بر, אן, ื่อนเทือปานตีงวงตีควายเขาพูดจากระโชงหากไม่ไงพออุ้ยพอหันหน้าเข้า้าเซตน้ําตาเท่าน <pur> ั้นกูอยากตายเด๊เท่านั้นประเดี๋ยอยากตายในขณะที่อยากตายเนี่อุ้มหลานไปพรวอมไหนอยู่ในเอิร์เจ้าตัวสาทุทอนพญารมพญาเวนุ่งใมาเอาภู้ขาไปถอนพอได้บาทเนี่ยเลี้ยงเขามาพาเขาใหญ่แล้วเขาบอกเขาสั่งอีทานี่เขาอจะเคยตายมาสินเชิญําตาทอมในขณะเดียวกันอุ้มหลานไปด้วย ล้านหนึ่งคือลูกของลูกหนัหนคนโบราณคนว่าอายุยืนยาวมันหลายปีเห็นหลากมะพองงูเถิกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูเดินเจียงขึ้นหนาวล่มประหงเมื่อเดินงีซึ่งเราห่อนเดินหาผตาวหนาวงูเถิงหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูอยากตายสั่งลูกมันแต่ก่อล้านมันไวผดอยากอายุยืนบาดเลย ไปวัดภาษาทุท้อนในภูเขาอายุยืนยืนอ ย, อ ย, อ ย, อยู่น้ำหลานตนๆ น, นกำลังเป็นตะแพงพระบาราขนี่เจ้จ<ะ>เาเสี่ยจังไดมันกับโลกประสาทเป็นหัวเท่านั้นเองวันนี้ความทุกข์มากขึ้นในไฮเทคเทคโนโลยีช่วยอะไรได้ถ้าหากไม่มีธรรมะเพราะเหต น, นั้นอารมาจัดงานนัดเพราะผู้ฝ่ายธรรมสงสารผู้เท่าดอกอยากเอาผู้เท่าไปเสามีแหงเพิ่นพะประไปรซัมได้บาทนี่ให้หลานใส่ให้ลูกใส่กันแล้ว ก, ลกันจะใายแล้วจะนบหาพญากรรมพญเวน มาเอาภูเขาไปเทินมันเศรายากไห้ผัดแทงล้านผัดยกากสารทุทอนอายุยืนเดิอผัดปลาเนี่ยเฮ้ยฉันจะเอาจาังใดนี่เรางูเถึงหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูหพวสาซุป ก, กไปในหน่วงสิตายอยู่แล้วหางยังเกี่ยวกอดหนูสิเอาหนูมากินอีกฟางลูกเขาไปทักล้านมันจะเอาอยัางไงไอ้นเงี้ยเอาละเป็นอันว่าในยุคปัจจุบันนี้จําเป็นจะต้องใช้ธรรมะอย่างสู ม, มันจึงมีสับสนกันทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาคล้ายๆกับใ จ, จเจริญคือคนสนใจทางด้านสมาธิภาวนามากขึ้นแต่โม อ, อีกมุมหนึ่งบัดนี่หน้าตกอกตกใจหน้าหวาดเสียวเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นระหว่างชาวพุทธด้วยกันแตกกันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นซ้ายเป็นโมเป็นคณะสามัคคีกันไม่ได้ผู้กันไม่รู้เรื่องเดีกวก็เกิดพุทธภูมิขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดสันติอโศกขึ้นมาทำมากกลขึ้นมาเป็นรุ่งเป็นราวใหญ่โต อย่างนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเจริญของศาสนาของชาติบ้านเมืองจะเป็นไปเพื่อความเสื่อมประเทศอินเดียศาสานาพุทธเกิดตรงนั้นพระพุทธเจ้าเกิดตรงนั้นพศ1742ผู้ศาสนาหมดสิ้นในอินเดียสาเหตุมันมีให้มันเสื่อมเพราะเหตุแห่งการแตกกันเป็นกกเป็นเหลา่าเป็นเส้นเป็นซ้ายเป็นหมู่เป็นขนามากๆต่อมาอีกมีพวกนักการเมืองมีคนที่มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาตนาไปเข้าข้างฝ่ายนอนเข้าข้างฝ่ายนี้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 เมื่อนั้นยังไม่ใช่ความสำเร็จของศาสนายังไม่ใช่ความสำเร็จของพระสองค์เก่ายังอาดามาเนี่ยอาตามาไปเทศที่ไหนคนสนใจฟังมากๆอาตมายังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จแต่ถือว่าเป็นผลงานอันหนึ่งที่ทำมาได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อใดทำให้ข้าราชการในจังหวัดสกลนครหรือในอาเภอของถิ่นจังหวัดสกลนครปฏิบัติรมขึ้นมาศึกษาทำขึ้นมาไม่ช่อรัดไม่บังหลวง ไม่ขอรับชันขึ้นมาปฏิบัติกันจริงไม่เห็นข้าราชการกินเหล้าเมายาหัวที่หวัวตําเมื่อนั้นประชาชนดีแน่ๆพระพุทธเจ้าให้เม่นเมนไปที่เด็กท่าเนเม่นไปที่ผู้ใหญ่คุณนันเจตระมานานางังอุชุงคัสันติปุงขโบสัภาตาอุชุงขศิเนเตอุชุงขเตสติเม <ME> ื่อใดก็ตามผุงโคลข้ามไปเช่าหัวหน้ามันไปปอนหัวหน้าไปตรงอุชุไปวัดตรงถ้าหัวหน้าไปตรงเมื่อนั้นลูกฝนก็ไปตรง ในหมู่มนุษย์เอวะเมวะมนุษย์เซสุโยโหติเศธษฐัสมาโตโซเจธรรมิกังจราติปะเควะอิตลาปชาในหมู่มนุษย์ถ้าหัวหน้าของมนุษย์หัวหน้าหมู่บ้านกำนันก็ดีผู้ใหญ่บ้านก็ดีนายอำเภอก็ดีปลัดก็ดีกับราชการครูบาอาจารย์ก็ดีถือว่าเป็นเศธษฐัสมาโตบุคคลผู้ที่ถูกสมมุติเป็นผู้ใหญ่เศระเศรษฐโผผู้ใหญ่ผู้ประเสริฐเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์ในธรรมเมื่อนั้นสัพพังรักถังสุขังเซติ แว่นแคว้นรัดทั้งหลายจะประสบความสุขเดี๋ยวนี้จะให้มันดีได้ยังไงไปให้เด็กดีเด็กไปเห็นครูกินเหล้าเห็นครูเล่นการพ น, นันมาบ้านเห็นพ่อแม่กินเอกไปในเมืองเห็นตำรวจกินเมาแยามแปะใส่แว่นตาดำคอยจะจับรถ ด, ดูจักสันมื่อเเซ็ตเท่านั้นไปชื่อเราทีนี่จักรสันได้พราะกลมบอปลาบมันก็แล้วเท่านั้นมันไม่มีตัวอย่างดีงามให้ลูกหลานเห็นเพราะฉะนั้นจะไปมัวพัฒนาเด็กเริ่มพัฒนาผู้ใหญ่ให้ดีให้จริงขึ้นมาผู้ไดเจ้าเน้นที่ผู้ใหญ่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 ดังที่เราเห็นกันเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องสันติอสอกก็ดีปัญหาเรื่องมังสะวิลรัติอะไรต่างๆนี่ก็ดีตีความมันไปว่าตตีดกอย่างนี้ยังนั่นตรงเป็นอย่างนี้ต่างคนต่างก็ตีความกันไปอย่างนี้นี่ยท่านหลายลองคิดดูมันก็จะเกิดสับสนขึ้นมาเกิดคอนฟ루ชเช่นขึ้นมาตีไปตามใจของตนเองปรารถนาะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแน่นอนขึ้นมาอย่างนี้ศาสนามันก็เสริมไ้ที่คนที่ต้องการคําตอบเมื่อได้รับคําตอบนั้นไปที่ถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องก็เลยก็หันเข้าไปตรงนั่น ไปเป็นแนวร่วมเป็นหมู่เป็นคณะผิดเป็นถูกถ้ามีหมู่มีคณะมากขึ้นยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่นายโตเข้าไปร่วมวงเมื่อนั้นเกิดปัญหาทางศาสนาผิดก็เป็นถูกว่าโซ อ, อิสรยังเหลเกออำนาจเป็นใหญ่ในโลกคนมาลานบอกว่าหนูซิ่งทาตะบ้าไหา่แม่บักดำกล่มขาบเสื้อโคงหนบหนอ ก, นอ ก, นอกไหวคณะเหลื่อมูอสวรรคนูซิ่งคนธรรมดานีแสดง ต, ตนเป็นพระอรีย์เจ้าขึ้นมา เป็นพระรีเจ้าเพราะอรหันต์กับชาติมาเกิดภาษารีบุตรกับชาติมาเกิดเป็นไอ้น่นนี้ขึ้นมาหนูรู้สิทำดับบาไฮแม่บักดำกลมขาดทีนี่คนที่ไม่ศึกษาทางศาสนาให้ละเอียดเพราะหลักคําในศาสนาเนี่ละเอียดมากศึกษาเพียงระเบียบภายนอกคือศินนั้นไม่พอสินนั้นเป็นระบบชีวิตระเบียบทั้งของภายนอกแต่ตัวธรรมะภายในลึกซึ่งมันเป็นความจริงสิ่งที่ถูกต้องและ ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําลงไปในนั้นเป็นอีกอันหนึ่งภายในเมื่อสร ะ, ะเพียงภายนอกไม่รู้สึกภายใน ม, มันทูไกล เ, เพียงภายนอกเมื่อ น, นั้นแม่วักดํากลมขาบคนที่มีอภิสิทธิ์มีอิทธิพลมีบทบาทมีความรู้ล้ำลมากเข้าไปสมทบกันเป็นกําลังเป็นหมู่เป็นคณะขึ้นมาหลังจากนั้นก๊อเขียนหน่อยประห้องอ่านโคองสารแห่งงูเผ่าผิดเหงื่อกลัวแก่ยากเคยได้ยินบ้างไหมคํานี้ถ้าไม่ได้ยินก็ซื้อเทปจะนั้นได้ ความฝันที่เป็นจริงพุทธธรรนายสามมุนนั้นนะมีครบชุดคนโบราณบอกกดเขียนหน่อยประห้องอ่านข้องสารเหตุแห่งงูเข้าผิดสี่เหยีอกลัวแกงหยานเมื่อรวมตัวเข้ามากๆคนหลายคนเข้าเย่เย่ขึ้นมาในเอาสิที่เนี่ยเทระสมาคมกรมการาศาสนากระเยอะือกกลัวเกงหยาดให้จังเลยสิทําให้เรื่องราวนี้ยุติลงได้ทํายังไงจะดีอย่างงามขึ้นนี่ เราดูบทบาทตรงนี้ดูสถานการณ์ตรงนี้พุทธศาสตร์ศนาไม่น่าไว้วางใจเลยสถานการณ์พุทธศาสสนาในยุคปัจจุบันนี้ดูความเจริญเหมือนกับเจริญแต่ดูความเสื่อมและเมือนกับจะเสื่อมลงเร็วที่สดุดจนพูด ก, กันไม่รู้เรื่องอันนี้ฝากพวกเราที่เป็นสมาชิกพุทธสม า, าความว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก่อนนี้มันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเอาละเรามองปัจจุบันเสร็จแล้วนะเรามองย้อนในอดีตทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้ ถือศาสนาพูดโดยกันจนพูดกันไม่รู้เรื่องแต่กันเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเส้นคือซ้ายมีหมู่มีคณะขึ้นมาอาตมาจะขอยงใหญ่ในในอดีตก่อนเพื่อเราจะได้แก้ไขปัญหาในปัจจุบันร่วมกันท่านทั้งหลายอยเพิ่งขี้เกียจเบื่อหน่ายฟังกันแล้วกันอดทนหน่อยเพราะว่าตอนนั้นบ้านมนี้เมืองนี้อยู่กันด้วยศีลด้วยธรรมโดยเฉพาะในภาคอีสานนี่ฝากชีวิตจิตใจไว้กับศาสนาไปดูตั้งแต่โคราชขึ้นมา ถึงผาตั้งบางเวียงสองฟากฝั่งของท่านจะไม่เห็นร่องรอยการเผาบ้านเขาเมืองไม่เหมือนทางภาคอื่นในภาคเนี้เป็นภาคที่จเจริญทาง จ, จิตใจทางวิญญาณมาก่อนเดี๋ยวนี้ท่าจะมาจะพูดคํานึงอาจจะเป็นคําพูดที่ใหญ่โตพอสมควรท่านทั้งหลายอาจจะไม่สามารถจะรับได้ก็ได้บางคนอาจารมาอยากจะพูดว่าเดี๋ยวนี้เรากําลังเรียนประวัติศาสตร์ตายประวัติศาสตร์ตายคือประวัติศาสตร์ที่เขียนมาให้เราอ่านแล้วก็เชื่อตามนั้น ประศาสตร์ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นมาก็อาซูขโขไทยอยุธยาขึ้นมาอากรัตนโกเศสนีประวัติศาสตร์หน้าไหนที่เทิดทูนสองฝ่ายฝั่งของโดยเฉพาะในแผ่นดินอีสานเนี่ยเรื่องศาสนาก็ดีเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมก็ดีหรือบุคคลชาวอีสานก็ดีมีใครเคขาเทิดทูนเขายกต้องขึ้นมาในหน้าประวัติศาสตร์พระธาตุพนมสร้างเมื่อพศ8เขาเทิดทูนมันไม่ยังสู้พระธาตุนคนปรปฐมไม่ได้อาตามาอยากจะบอกให้ทราบว่า พุทธศาสนาได้อย่างรากลงสู่สวนน้ำพุมคาบมหาสมุทรอินโดจีนเนี่ยตรงเนี้ยตรงแผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยเมืองสกลนครเนี่ยเมืองนครพนมเนี่ยพระธาตุภูเหกพระธาตุเชิงชุมพระธาตุพนมทั้งหมด น, นั้นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ศักดิ์สิทบ่งบอกให้เราได้รู้ป่าดินแดนนี้ผู้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองมามาการจารึกเรื่องราวพระธาตุพนมที่เขียนด้วยแผ่นทองคําที่เมืองร้อยเอ็ด การเลือกเป็นอักษรธรรมมินอักษรธรรมมินนี้เก่าแกยิ่งกว่าอักษรบาลีการการเลืกพระไตรปิฎกการเลือกเมื่อสังคานาครั้งที่ห้าเขียนตามหลังการการเลืกอกหนึ่งลาวพระธาตุพนมซึ่งเขียนเมื่อพอสอนหนึ่งร้อยที่เมืองสาเกตสิบเอ็ดประตูเมืองและนําไปที่อินเดียได้กลับมาสมัยพุทธโคษ า, าจารย์ที่อินทปฐนนครเมื่อก่อนจะออกภรษาพระแขกจากประเทศอินเดียท่านวิมาลาเทระที 45, ส่สิห้าพรรษา ท่านจําพรรษาอยู่ที่วัดพุทธคยาที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้ต้นโพนั่นแหละท่านส่อต้นโพภาษาบาลีว่าโพธิลักข์ท่านบอกว่าไออันโพธิลักข์บัตมักโพธิลักข์อินแบงคบอกคอยมือโที่รักข์แหะแล้วว่าหักษาต้นโพมาส่อหาปีเร็วไอ้สัสโมเมนโพธิลักข์อันกูเทพประชันท่านจําสตาหะมหามาธมาที่วัดมหาธมาแล้วเป็นยังไงรู้ไหมโยมองนี้เก่งภาษาสิงห์หงเก่งภาษาบาลีเก่งภาษาสนสติ แล้วเก่งพาสาโบราณนคกขดีเก่งมากภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงท่านต้องเก่งแน่แน่ท่นมาหาอาตมาเช้ามาพาไปบินท้บาดฝนตกฝนตกลินตาบอว่าชาวบ้านมาแข่งฝนใส่ใส่บาดยกข้าวใส่หัวข้าวเหนียวก็ใส่บาดเด็กตัวเล็กๆมานั่งข้างๆแม่พนมมือแข่งฝนพระแขกเห็นร้องไห้น้าตาไหลน้าตาไหลสะอื่น พอเดินออกมาเซิรฟขี่โมกตามหลังอาดมางแล้วความจริงท่านต้องเดินก่อนอาดมาเพราะท่านบวชมาแล้วยี่สิห้าพรรษาอาดมาเพิ่งอย่ห้าพรรษาทีนี้อาดามาก็ถามว่า w h a เพน h e p a อกเกิดอะไรขึ้นท่านร้องไห้ทําไมกระทำท่านบอกว่าท่าไม่ได้ร้องไห้ I not crying บอกฉันไม่ได้ร้องไห้ but some um in one my throat my f e e l i n ท่านบอกว่าผมไม่ได้ร้องไห้แต่มันเกิดก้อนจุกคอผมแน่นน้ำตามันไหลออกมาเพราะอะไรครับถามว่าเพราะอะไร ผมอยู่อินเดียบวชมา25ปีภาพอย่างนี้ไม่เคยเห็นคนมาใส่บาตรแข่งฝนเด็กตัวน้นอยๆมานั่งพนมมืออยู่ข้างแม่ตากฝนภาพอย่างนี้ในอินเดียไม่มี25ปีผมไม่เคยบินทบาทในอินเดียกีนข้าวที่ไหนเพราะว่าสมาคมมหาโพมหาโบ ร, ริสุทธิ์ไซตีเป็นคนเลี้ยงท่านทํางานในสมาคมมหาโพแล้วก็เฝ้าต้นโพอยู่ตรงนั้นท่านไม่เคยเห็นนี่คือความเสื่อมของประเทศอินเดียในทางพุทธศาสนา ต่อมาอีกเช้ามาที่วัดเราตื่นกันตีสองครึง่งถ้าเนนมานั่งสมาธิรวมกันในตีสองครึง่งไปจนถึงตีสามครึง่งตีสี่ครึง่งสองชั่วโมงแล้วก็สวดมนต์เนนน้อยนั่งสวดมนต์มานั่งสมาธิกับพัดพักแขกก ร, ราบกราบก่อนเลิกขึ้นกุฏิไปนั่งร้องไห้อยู่บนกุฏิอามากรไปอ้าร้องหไห้ทำไมอีกล้าวมองน้ําตาไหลอะครับไม่ได้ร้องไห้แร้วมันปุ้นน้ำตาไหลเป็นก้อนล um, ําอีวันไมโครมีก้อนจุกคอผม ไม่เคยเห็นอย่างนี้ในอินเดียพระเนนตื่นดึกลุกเช้านั่งสมาธิภาวนาทำวัดสวดมนต์วิเวกวงเวนอย่างเงี้ยอาใหยแล้วอาดมา ก, ก็ถามเพราะท่านเก่งทางโบราณ น, นะคดีก็ถามว่าท่านรู้จักอักษรธรรมินไหมท่านบอกว่ารู้อักษรธรรมินเก่าขนาดไหนท่านบอกว่า very very old and famous of India เป็นอักษรที่เก่าแก่ที่สุด ข, ของชาวอินเดีย เส็แล้วอักษรพ ม, มินียมีฝังแถบบ้านนาถอนดอนนางหงทาพนมเราเนี่ยตามเลยเส้มาเก่าๆนั้นมีนอักษร น, นิจารึก